วันนี้จะขอพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญของจิตใจ ถ้าอยากจะมีความสุขความเจริญทางจิตใจก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องคือเป็นความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบาปบุญมีจริงผลของบาปของบุญมีจริงทำบุญแล้วมีความสุข ขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะที่ตายไปจิตก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ถ้าบาปถ้าทาบาปจิตก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็มีจริง อถึงแม้ว่าจะไปเกิดในสวรรค์หรือเกิดในบายเมื่อบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์หรื อ, อบายหมดกำลังลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันใหม่แล้วก็จะมาทำบุญทำบาปกันใหม่ แล้วพอตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์เกิดในอบายกันใหม่เสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหตุที่ทำให้ยังจิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลง ตัณหาก็คือความอยากสามประการกาม m a ตัณหาความอยากในรูปเสียงเกิดนรสผลตภะภาะวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือเหตุที่พาให้จิตใจหรือดวงวิญญาณ ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้ายังคิดว่าทำบาปแล้วไม่มีผลบาปตามมาคือคิดว่าตายแล้วศูนย์คิดว่าพอร่างกายตายแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลของบุญของบาปใครจะไปเกิดใหม่ ไม่เห็นมีใครมีแต่ร่างกายที่ตอนนี้กำลังทำบุญหรือทำบาปอยู่กำลังทำตามความโลภความโกรธความหลงอยู่กำลังทำตามความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่แต่พอร่างกายที่ เป็นผู้กระทำบุญหรือทำบาปได้ตายลงไปกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในอบายใครจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเห็นเพียงแต่ร่างกายก็จะมีมิจฉาทิฐิ ความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงก็จะเห็นว่าตายแล้วศูนดังนั้นทำบาปแล้วก็ไม่มีการไปรับผลบาปทำบุญแล้วก็ไม่มีการไปรับผลบุญชําระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ในเมื่อไม่มีผู้ที่จะกลับมาเกิดคือเมื่อร่างกายที่ทำบุญทำบาปทำตามความโลภความอยากต่างๆตายไปแล้วใครจะกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่มีใครกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะว่า จะชำละหรือไม่ชาละก็ไม่มีใครกลับมาเกิดอีกแล้วพอร่างกายนี้ไม่มีวันที่จะฟื้นกลับคืนมาเหมือนเดิมได้เหมือนในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้นี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงจึงทำให้ไม่กระทำในสิ่งที่ จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะนำความสุขมาให้กับตนเพราะไปเกิดมีความเห็นผิดไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายนี่เป็นความเห็นผิดขั้นที่หนึ่งคือความไปเห็นว่าเรานี่เป็นร่างกายแต่ความเป็นจริงนี่ร่างกายไม่ได้เป็นเรา เราเป็นใครเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆวันนี้เราจะมาที่นี่กันเราก็สั่งให้ร่างกายพาเรามากันเราคือผู้รู้ผู้คิดนี่เองที่เรียกว่าจิตใจเวลาที่อยู่กับร่างกายเวลามา ต่ติดกับร่างกายใช้ร่างกายเป็นผู้รับใช้ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นนายร่างกายนี้เป็นผู้รับใช้นายคือผู้รู้ผู้คิดใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี่แหละเป็นผู้คิดผู้กระทำบุญหรือบาป ผู้ที่ทาความโลภความโกรธความหลงทำตามความอยากต่างๆนี้คือใจเพียงแต่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นลูกน้องที่จะรับใช้เจ้านายเจ้านายเป็นคนสั่งให้ลูกน้องพาเจ้านายมาที่นี่เมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ อาจจะคิดไว้ก่อนว่าวันนี้จะไปจะมาที่นี่กันพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่ใจนี้เกาะติดอยู่กับร่างกายร่างกายไปไหนใจก็ไปกับร่างกายถ้าร่างกายไม่ไปใจก็ไปไม่ได้ การที่ใจจะมาที่นี่ได้มาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมได้ใจต้องเป็นผู้สัง่งให้ร่างกายพามาดังนั้นตามหลักของกฎแห่งกรรมตามหลักของความเป็นจริงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำบาปหรือกระทำบุญ ไม่ได้กระทำอะไรต่างๆผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆนี้คือใจคือผู้รู้ผู้คิดเและผู้ที่จะรับผลของการกระทำต่างๆก็คือใจผู้รู้ผู้คิดร่างกายอาจจะได้รับผลหรืออาจจะไม่ได้รับผลก็ได้ไม่แน่นอนแต่ผู้ที่รับผลแน่นอน คือใจผลของการกระทาที่ใจได้รับก็คือความสุขความทุกข์ใจนี้เองพวกเราคงไม่ปฏิเสธกันว่าพวกเราบางวันก็มีความสุขใจบางวันก็มีความทุกข์ใจซึ่งความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี้ก็ไม่ใช่เป็นความสุขหรือความทุกข์ทางร่างกาย เพราะเรารู้ว่ามันไม่เหมือนกันความทุกข์ทางร่างกายความสุขทางร่างกายเป็นอย่างหนึ่งความสุขความทุกข์ทางใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเวลาที่ร่างกายเราหิวข้าวเนี่ยเราก็รู้ว่าเรามีความทุกข์ทางร่างกายพอเรากินข้าวเสร็จ เราก็กำจัดความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจนี้อาจจะไม่ได้ถูกกำจัดไปกับความทุกข์ทางร่างกายเช่นเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทุกข์กับหนี้สินที่เรามีอยู่การทําให้ร่างกายหายทุกข์จากการหิวข้าวไม่ได้ไปทําให้ความทุกข์ทางใจหายไปได้เพราะมันเป็น คนละคนกันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันความสุขความทุกข์ทางร่างกายเกิดจากการขาดแคนปัจจัยสี่ของร่างกายความเวลาร่างกายขาดปัดจจัยสี่ขาดอาหารก็เกิดความทุกข์กายขึ้นมาขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาหน้าหนาวไม่มีเครื่องผ้าหม่มมาหม่มก็ทําให้เกิดความหนาวเหน็บที่ร่างกายก็เกิดความทุกข์ทางร่างกายไม่มีที่หลบแดดหลบฝนเวลาฝนตกก็เกิดการเปียกบอลทําให้เกิดความทุกข์ทางร่างกาย เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มียารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายไปนี่เป็นความทุกข์ความสุขทางร่างกายเกิดจากการมีปัจจัยสี่หรือไม่มีปัจจัยสี่ถ้ามีปัจจัยสี่ร่างกายก็จะไม่ทุกข์ ทุกก็หายได้ถ้ามีปัจจัยสี่มาช่วยกําจัดแต่ความสุขความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้ไปทําให้ความสุขทางความสุขความทุกข์ทางจิตใจหายไปร่างกายมีความสุขแต่จิตใจก็ยังมีความทุกข์ได้อยู่ ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีน่าจะเป็นคนที่มีความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแต่มหาเศรษฐีก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เพราะความทุกข์ใจนี้เกิดจากการกระทาของใจไม่ได้เกิดจากการกระทำของร่างกายร่างกายอาจจะทำตามคำสั่งของใจ แต่ผลที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดกับร่างกายจะเกิดขึ้นกับใจเวลาทํำบาปนี้ร่างกายอาจจะไม่ทุกข์ร่างกายจะสบายมีปัจจัยสี่เพียงแต่อาจจะถูกกักกันบริเวณเช่นถูกจับไปขังในคุกในตารางแต่ในคุกในตารางเขาก็ให้อาหารกิน เขาให้ที่อยู่อาศัยเขาให้ปัจจัยสี่ต่อร่างกายที่เขาลงโทษเขาไม่ได้ลงโทษร่างกายเขาลงโทษใจที่ไปติดกับร่างกายร่างกายเลยต้องตกกระไดพลอยโจรไปกับการกระทำผิดของจิตใจแต่ผู้ที่ทุกเวลาไปติดคุกนี้ก็คือใจ ร่างกายไม่ทุกข์ร่างกายก็ยังกินข้าวได้มีทำอะไรได้เคลื่อนเหินเดินได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ผู้ที่ทุกข์ก็คือใจนี่คือเรื่องของความสุขความทุกข์ของใจกับความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นคนละเรื่องกัน ที่เรามาพูดถึงในวันนี้เราพูดถึงความสุขความทุกข์ของใจเนเพราะความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้มันไม่เป็นปัญหาแะถ้าเรามีปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเรื่องของความทุกข์ทางร่างกายก็จะไม่มีแต่การมีปัจจัยสี่ให้กับร่างกายไม่ได้ทำให้จิตใจนี้ หายทุก์ไปกับร่างกายเพราะเหตุที่ทําให้จิตใจทุกนี้มันเป็นคนละเหตุกันเหตุที่ทําให้จิตใจของเราทุกนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากการกระทําบาปนี่เกิดจากการกระทําบาปและการเสพอบายามุกเนี่ยถ้าเสพอบายามุกแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปทําบาปต่อ พอทำบาปแล้วก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทาั้งๆที่ยังไม่ถูกจับไปลงโทษถูกไปจับไปกักขังใจก็เริ่มไม่สบายแล้วเริ่มมีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลอันนี้เป็นผลของการกระทำบาปทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการทำบาปนี้จะทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจเนี่ยนี่คือประโยชน์ของการมีความเห็นที่ถูกต้องจะทำให้เราหลีกเลี่ยงการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา ถ้าเรารู้ว่าการกระทำบาปทำให้ใจเราทุกข์เราก็อยากไปทำบาปถ้าเรารู้ว่าการเสพอบายามุขจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปเราก็อยากไปเสพอบายามุขอบายามุขก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันขกอหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนัน 3. การเที่ยวเตรส 4. ความเกลียดครานหการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรนะเพราะว่าการถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มโซราเขาก็จะชวนเราไปดื่มโซราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน ถ้าเขาชอบเที่ยวเตเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตถ้าเขาชอบความเกียรครัน้นเขาก็จะชวนให้เราเกียดครั้านถ้าเราไปเสพอบายามุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะมีแต่สูญเสียเงินทองเพราะอบายามุขนี้ไม่ได้มีรายได้ให้กับเรามีแต่รายจ่าย ดื่มสุราก็ต้องเสียเงินซื้อสุรามาดื่มนอกจากเสียสุราเสียเงินซื้อสุรามาดื่มแล้วยังทำให้เสียเวลาในการไปหาเงินทองอีกเพราะถ้าดื่มสุลาแล้วมึนเมาก็จะไม่ไปทำงานทำการถ้าไปเล่นการพนันถ้าเล่นได้ก็จะเกิดความอยากจะเล่นต่อ พอเล่นต่อไปเดี๋ยวก็ต้องเสียพอเสียแล้วก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็เงินทองก็ต้องหมดหมดก็ต้องไปขายทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่เพื่อที่จะได้เล่นต่อเพราะต้องการเอาคืนเล่นไปเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัว พอหมดเนื้อหมดตัวก็อาจจะไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นขอยืมเงินผู้อื่นหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อมาเล่นต่ออันนี้คือโทษของอบา ย, ยมุกอบา ย, ยมุกนี้ไม่ได้มีรายได้มีแต่รายจ่ายมันจะดูดทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่นี้ให้หมดไปพอมันหมดแล้วมันก็จะทำให้เรา ต้องไปหาทรัพย์สินใดโดยวิธีทาบาปนะไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงไปลักขโมยไปป้นไปจี้ถ้ามีการต่อสู้ก็จะอาจมีการฆ่ากันตายได้นี่นี่คือเหตุที่จะพาให้เราไปทาบาป พ, พอทาบาปแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่เชื่อลองสังเกตดู เวลาที่เราทำบาปข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวงเราจะรู้สึกไม่สบายใจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ความผิดว่ามันหนักหรือเบาถ้าความผิดมากโทษหนักความทุกข์ก็จะมาก นี่ขณะที่ยังไม่ได้ถูกจับไปลงโทษก็ต้องรับผลของบาปที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจแล้วแล้วถ้าถูกจับไปลงโทษก็ต้องไปทุกข์ในคุกในตารางอีกแล้ ว, ลวยังโทษยังไม่หมดเพราะเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจผู้ กระทำบาปนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราไม่รู้กันเรามองไม่เห็นกันเพราะใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายให้เราเห็นนั่นเองแต่เราจะปฏิเสธว่าเราไม่มีใจไม่ได้เพราะเรามีความสุขใจมีความทุกข์ใจเรามีเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าง คนนี้แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนนี้ที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณต่อไปพอร่างกายตายไปใจที่เกาะติดกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่ของใจจิตใจให้มาเป็นจิตวิญญาณแทนเป็นผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์เนี่ย โลกของจิตใจนี้โลกของจิตตวิญนญาณเราเรียกว่าโลกทิพย์นโลกทิพย์ก็เป็นโลกที่มีทั้งสุขและทั้งทุกข์จิตตวิญนญาณที่ทำบาปก็จะเป็นจิตตวิญนญาณที่หุมห่อด้วยความทุกข์นี่ลนะคืออบายพอตายไปแล้วบาปที่ทาไว้ยังไม่หมดบาปที่ทำไว้ยังอยู่ในจิตใจ ก็จะส่งผลให้กับจิตใจคือให้ความทุกข์กับจิตใจไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกองไฟพอเราจุดไฟขึ้นมากองไฟมันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าฟืนมันจะหมดเมื่อฟืนหมดไฟมันก็จะดับฉันใดบาปที่เราทำมันก็จะเริ่มแผดเผาจิตใจ แผดเผาดวงวิญญาณของเราไปเรื่อยๆทำให้ดวงวิญญาณของเรานี้ทุกข์ด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆทุกข์ด้วยความโลภทุกข์ด้วยความหิวโหยทุกข์ด้วยความหวาดกลัวหรือทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทเพราะเวลาเราทำบาปเราก็จะทำด้วยสาเหตุเหล่านี้ทำบาปด้วยความโลภเวลาเราอยากได้อะไรมากๆ ถ้าไม่ทําบาปแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีพอทําบาปแล้วมันก็จะได้ง่ายได้มากได้เร็วนั่นเองเราก็จะเลือกวิธีทําบาปกันเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้กันเพราะถ้าไม่ทําบาปจะไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้อะไรมันทุกข์ทรมานใจมันจะบีบขั้นให้เราต้องไปทําบาปกันนั่นเองนี่พอ เราทำบาปแบบนี้แล้วดวงวิญญาณของเราก็จะถูกความบาปความทุกข์แบบนี้บีบคั้นจิตใจความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความหิวโหวยจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยถ้าทำบาปด้วยความหวาดกลัวดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความหวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความแค้นด้วยความอาฆาตพยาบาท ดวงวิญญาณก็จะถูกความแค้นหุ้มขอ่อดวงวิญญาณให้มีแต่ความแค้นความอาฆาตพยาบาทมันก็จะเป็นเหมือนกองไฟที่จะไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าฟืนในกองไฟมันจะไหม้หมดไฟมันถึงจะดับลงบาปที่เราทำสะสมไว้ในใจนี้ก็เป็นเหมือนกองฟืนกองไฟ พอตายไปมันก็จะลุกขึ้นมาโชดช่วงชัชวานขึ้นมาในดวงวิญญาณของเราทำให้ดวงวิญญาณของเรานี้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานนี้เราเรียกว่าอบายมีหลายหลายชั้นด้วยกันหลายหลายแบบด้วยกันเต่ก็เป็นดวงวิญญาณในอบายชนิดหนึ่ง สุลกายและนารกก็เป็นดวงนะวิญญาณอีกชนิดนึ่งนี่แหละคือผลของบาปที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วก็จะทุกอยู่แบบนี้ไปจนกว่าบาปที่ได้สะสมไว้ในใจได้หมดลงเนื้อได้ลดลงมาเท่ากับบุญที่เราได้ทำเอาไว้อะ บุญกับบาป พ, พอเวลามันมีปริมาณเท่ากันมันกไ็ไม่สามารถที่จะสแสดงผลใบได้ทางใดทางหนึ่งเวลานั้นดวงวิญญาณก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่มาได้ร่างกายของมนุษย์แล้วพอเกิดมาก็มาทำตามความอยากตามความโลภความโกรธความหลงใหม่ เพราะความโลภความโกรธความหลงยังไม่ได้รับการจัดการนั่นเองการทำบุญทําบาปนี้ไม่ได้ไปจัดการเรื่องของความโลภ ค, ค, ค, ค, ความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปแต่กลับเป็นการเพิ่มความโลภความโกรธความหลงความอยากให้มีมากขึ้นเพราะเหตุที่เราทําบาปกันก็เพราะทำด้วยความโลภความอยากความโกรธความหลงนี่เอง เหตุที่เราทำบุญก็ทำเพราะเราเก่อความอยากเหมือนกันมันก็เลยยังทำให้เรายัางต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อีกต่อไปเพราะดวงวิญญาณของเราไม่ได้ตายพอเราได้ร่างกายอันใหม่ดวงวิญญาณก็มาเกาะติดกับร่างกายอันใหม่แล้วก็เป็นเจ้านายของร่างกายอันใหม่สั่งให้ร่างกายอันใหม่ ไปหาความสุขตามความอยากของใจต่อไปใจก็ยังอยากรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ยังอยากมีอยากเป็นยังอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่เนี่ยพวกเราทุกคนเกิดมานี่อยากดูอยากฟังกันทั้งนั้นอยากดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะดมกลิ่นอยากจะลิ้มรสอยากจะสัมผัสกับของต่างๆทางร่างกายกัน มันเป็นของที่ติดมากับใจแต่ดั้งเดิมเพราะมันยังไม่ได้รับการชําระให้หมดสิ้นไปนั่นเองเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายหรือเป็นพิษเป็นภัยเป็นเหตุของการพาให้จิตใจต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆจะมาจัดการกับเรื่องกิเลสตัณหานี่ได้ก็ต้อง รอให้คนมีคนฉลาดมาเห็นโทษของการทําตามความโลภความอยากต่างๆเห็นเห็นผลที่เกิดจากการทําตามความโลภความอยากต่างๆว่าจะนําให้มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนานๆนนจะมีคนฉลาดที่จะเห็นโทษของกิเลสตัณหาสักครั้งหนึ่ง คนที่มาเห็นโทษของกิเลสตัณหานี้ก็คือพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้์เห็นว่ากิเลสตัณหานี่เป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาทำบุญมาทำบาป ก, กันพาให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนาพบดีบ้างพบไม่ดีบ้าง ไปเกิดในสวรรค์บ้างไปเกิดในอบายบ้างเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดกันใหม่ถ้าไม่อยากจะต้องติดอยู่ในวัฏวนที่มีชื่อว่าสงสารวัฏะสงสารหรือสังสารวัฏก็จำเป็นที่จะต้องชำระความโลภความโกรธความหลงความอยาก ให้หมดไปจากใจถึงจะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติการไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในนรกได้ยุติการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ได้นี่แหละคือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นคนแรกก็คือพระพุทธเจ้านี่ พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบสัมมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วพระองค์ก็ส่งนํามาสั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็จะนําเอาไปปฏิบัติสัมมาทิฐิของพระพุทธเจ้านี้ก็สรุปลงอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆ คือการทำบาปนี้จะทำให้เกิดความทุกข์จะทำให้ต้องไปเกิดในอบายก็ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงการทำบุญก็จะทำให้เกิดความสุขถ้าถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ข้อที่สามก็คือ การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความอยากต่างๆกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทำบาปมาทำบุญกันอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากวัตตะ ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบสัมมาทิฏฐินี้พวกเราจะไม่มีวันรู้กันเลยว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้คนที่ไม่ได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะคิดเหมือนกันหมดทุกคนว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆให้กับเราแล้วก็จะไม่สนใจว่าการกระทำการหาความสุขของเรานี้จะ มีผลดีหรือไม่ดีตามมาก็ตามถ้าเราต้องการแล้วเราถ้าเราต้องการความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องพยายามหามาให้ได้จะหามาโดยวิธีใดเราก็ไม่สนใจขอให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นเพราะเราคิดว่าถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วจะให้ความสุขกับเรานั่นเอง คนจึงมีการหากันไม่เหมือนกันบางคนก็หาโดยไม่ได้ทำบาปก็มีบางคนก็หาด้วยทำบาปก็มีเพราะคนที่ต้องหาด้วยการกระทำบาปก็เพราะว่าไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปนั่นเองคนที่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็มักจะ ไม่อยากจะไปเสี่ยงกับโทษของการทำบาปโทษที่เห็นในโทษที่เกิดขึ้นในโลกนี้เช่นไปติดคุกติดตารางถ้ามีเงินซื้อของสู้เอาเงินซื้อของดีกว่าไปขโมยของถ้าขโมยของแล้วเดี๋ยวถูกตำรวจจับได้ต้องไปติดคุกติดตารางนี่เพียงแต่เห็นโทษเฉพาะ โทษที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้นแต่โทษที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจนี้มองไม่เห็นถ้าเป็นการทำบาปที่ไม่ผิดกฎหมายก็จะกล้าทำเช่นการฆ่าสัตว์เช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายถ้าอยากจะกินเป็ดกินไก่ ถ้าไม่มีตลาดขายก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่หรือไปดักสัตว์ไปจับสัตว์เช่นจับปงจับปลาอะไรต่างๆเหล่านี้มากินกันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็ผิดกฎแห่งกรรมมันเป็นโทษเป็นบาปตายไปก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์ที่เราฆ่าเขานั่นแหละฆ่าวัวฆ่าควายกลับไปก็ต้องกลับ ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นวัวเป็นควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่าปูฆ้าปูปลาหอยอะไรต่างๆกลับมาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นปูปลาเป็นหอยเป็นสัตว์ที่เราไปฆ่ามานี่แหละถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาทิฏฐิมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ น้อยคนที่จะมีสัมมาทิฏฐิติดตัวมามีบ้างบางคนที่ได้มีถูกฝึกไว้ในอดีตชาติเคยถูกสอนไม่ให้ทำบาปมาเคยถูกสอนให้ทำแต่บุญมาพอมาเกิดก็จะไม่กล้าทำบาปจะทำบุญแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลของบาปของบุญจริงๆนั้นเป็นอย่างไร ถ้ามีเหตุการณ์ที่มันมาบีบคั้นจิตใจก็อาจจะไปทำบาปได้ถึงแม้ว่ามีนิ ส, สัยใจคอไม่ชอบทำบาปก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์ที่จะต้องเลือกระหว่างรักษาชีวิตของตนเองกับรักษาชีวิตของผู้อื่นบางทีก็อาจจะต้องเลือกการรักษาชีวิตของตนเองด้วยการทำบาปเพื่อ รักษาชีวิตของตนเองก็ได้แต่ถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิจริงๆแล้วจะไม่กล้าทำบาปโดยเด็ดขาดจะยอมตายดีกว่าไปติดคุกติดตารางในอบายพวกที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงนี้ก็ต้องเป็นพระอาริยบุคคลขึ้นไปนั่นเองต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไป พระอาริยบุคคลทุกขั้นนี้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นว่าถ้าทำบาปแล้วจะต้องไปติดคุกติดตารางในอบายไม่ยกเว้นว่าเป็นดวงวิญญาณของใครก็ตา่างนอกจากได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเท่านั้นหรือได้เป็นพระอาริยบุคคลผู้ที่ยอมตายดีกว่าไปทำบาปนี่คือ การที่จะมีสมาทิฐิได้อย่างถาวรนี้ต้องเกิดจากการมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองเห็นดวงวิญญาณเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าเราตัวเราของเราคือดวงวิญญาณจิตใจผู้ที่ทำบุญผู้ที่ทำบาปผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปคือดวงวิญญาณดังนั้นมันจึง ทำให้ดวงวิญญาณนี้ไม่กล้าทําบาปเรื่องอะไรไปรักษาร่างกายที่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีด้วยการไปทําบาปแล้วต้องไปติดอยู่ในอบายทําไมสู้ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปดีกว่าโดยที่เราไม่ไปทําบาปกันเช่นสมมติว่าอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานต้องไปหา ยิงนกตกปลามาเป็นอาหารนี่ถ้าเป็นพระอาริยบุคคล น, นี้ท่านจะไม่ทําท่านยอมอดตายดีกว่าที่จะไปติดคุกติดตารางในอบายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะว่าร่างกายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีจะทําบาปเพื่อให้มันอยู่ก็เพียงแต่ยืดอายุให้มันอยู่ไปได้สักระยะหนึ่ง แต่เดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องร่างกายเรื่องอะไรเราจะไปทำบาปให้กับร่างกายทาไมเราก็ต้องไม่ทำบาปให้กับใจสิเพราะใจนี่เป็นผู้ไปรับผลบาปทำบาปให้ร่างกายแต่ใจต้องไปรับผลบาปทาไปทาไมแล้วร่างกายยังไงก็ต้องตายอยู่ดี ยันสู้ให้มันตายโดยที่เราไม่ต้องทำบาปไม่ดีกว่าเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว น, ะนี่แหละการมีสัมมาทิฏฐิแบบที่ถาวร น, นี้ต้องมีดวงตาเห็นธรรมต้องเป็นพระอาริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันขึ้นมา การจะมีดวงตาเห็นธรรมได้นี่ก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเปิดตานั่นเองตาที่จะเห็นธรรมนี้ไม่ใช่ตาของร่างกายตาของร่างกายนี้เปิดมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นธรรมอยู่ดียังไม่เห็นนรกยังไม่เห็นสวรรค์ ยังไม่เห็นพวกเทวดากายทิพย์ต่างๆยังไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตวิญญาณต่างๆนี่เพราะว่าตาที่จะเห็นธรรมตานนี้ยังถูกปิดอยู่นั่นเองยังไม่ได้เปิดขึ้นตัวที่มาปิดกัน้นตาที่จะเห็นธรรมคืออะไรก็โมหะอวิชากิเลสตัณหานี่ตัวที่มาปิดกัน้นไม่ให้เปิดตาในขึ้นมา ดังนั้นถ้าอยากจะเปิดตาในนี้ต้องเอาตัวที่ปิดกัน้นตาในนี้ออกไปเหมือนกับผ้าที่มัดตาไว้ถ้าเวลามีผ้ามามัดตาตาเราจะมองไม่เห็นจะเห็นแต่ความมืดถ้าอยากจะเห็นอะไรก็ต้องถอดผ้าออกถอดผ้าที่มาปิดตาเราออกตาในก็มีผ้ามาปิดบังไว้ปิดกั้นไม่ให้เห็น ตัวที่ปิดกั้นก็คือโมหะอาวิชชาความหลงความหลงก็มิชฉาทิฏฐิเนี่ยคือเห็นตรงข้ามกับความเป็นจริงเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเห็นว่าร่างกายเป็นเราเห็นว่าร่างกายตายไปเราก็จบไปกับร่างกายไม่มีผู้ไปรับผลบุญผลบาปไม่มีกายที่ไม่มีดวงวิญญาณที่ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เนี่ยเราต้องกำจัดตัวนี้และเครื่องมือที่จะกำจัดหรือเอาให้ตัวนี้ออกไปจากใจก็คือการภาวนานี่เองที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นตัวที่จะมาเปิดตาในทำให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาต้องมีทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้อันนี้คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการเปิดตาในของพระพุทธเจ้าการเปิดตาในของพระพุทธเจ้าพวกเราเรียกว่าตัดสรู้หรือบรรลุธรรมถ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกหรือมีดวงตาเห็นธรรมเช่นพระโสดาบันนี่ เรามักจะพูดว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมพระอริยะทุกองค์นี้เป็นผู้ที่เปิดตาไงได้ทําให้เห็นโลกของจิตวิญญาณทําให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณทําให้เห็นเห็นบุญเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นที่อยู่ของผู้ที่ทําบุญคือสวรรค์ เห็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบาปคืออบายได้อย่างชัดเจนเหมือนกับที่เราเห็นด้วยตาปล่าตาของร่างกายตอนนี้ตาของร่างกายเรามองเห็นของรอบตัวเราอย่างชัดเจนเรารู้ว่าอันไหนเป็นโทษกับเราอันไหนไม่เป็นโทษกับเราเวลาเราเดินนี่เราเดินตามทางกันเราไม่เดินผ่าตัดป่าตัดลกตัด พุ่งกันเพราะเรารู้ว่ามันอาจจะมีโทษกับเราได้เดินเข้าไปในป่ากับเดินตามทางนี้อย่างไหนปลอดภัยกว่ากันเรารู้เพราะเรามีตาเห็นตาของร่างกายเห็นของเหล่านี้ได้แต่ตาของร่างกายไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจได้กับจิตวิญญาณได้ต้องใช้ตาของใจเป็นผู้เห็นเอง แต่ตอนนี้ตาของใจของพวกเราถูกปิดบังด้วยโมหะคือมิจฉาทิฐินีนน่การไปเห็นว่าเราเป็นร่างกายการไปเห็นว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วเราก็จบเราก็ศูนย์ไม่มีเราไม่ไปไหนต่อเราไม่ไปเกิดในสวรรค์ไม่เกิดไม่ไปเกิดในอบาย ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอันนี้แหละเป็นตัวที่ปิดตาในของเราไว้เราจึงต้องใช้การภาวนาเป็นตัวที่จะมาเปิดตาในของเราให้เห็นให้เห็นมีสัมมาทิฏฐิที่ถาวรสัมมาทิฏฐิที่พวกเรามีตอนนี้อาจจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่เกิดจากการมีศรัทธา ในสัมมาทิฏฐิของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือเรามีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เรายังไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพียงแต่ว่าเราเห็นว่ามีคนเชื่อกันมาแล้วคนเชื่อนี้ก็มักจ ะ, ะไม่ผิดหวังกันไม่มีใครมาโวยวายว่าถูกหลอกกันคนที่เชื่อพระพุทธเจ้า กก็คือพระ อ, อริยสสตรสงสาวกทั้งหลายพอท่านเชื่อแล้วท่านก็นำไปปฏิบัติไปเปิดตาในของท่านพอท่านเปิดตาในท่านก็เห็นเหมือนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างพระสาวกก็เลยมารับประกันความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจึงมีการเชื่อกันมา บางคนเชื่อแล้วก็ไปปฏิบัติจนเห็นตามความเป็นจริงบางคนเชื่อแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่เห็นและความเชื่อที่ยังไม่ได้เกิดจากการเห็นด้วยการปฏิบัตินี้ก็อาจจะเปลี่ยนได้อาจจะลืมได้หรือถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกอะไรมาบีบบังคับก็อาจจะไม่เชื่อขึ้นมาก็ได้เปลี่ยนความเชื่อก็ได้ เช่นถ้ายังต้องเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายอยู่ถึงแม้ถึงเวลาจะต้องทำบาปก็อาจจะยอมทำบาปก็ได้เพราะยังไม่เห็นจริงๆว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเพราะยังคิดว่าเป็นร่างกายอยู่เรายังเป็นร่างกายอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของร่างกายไว้อย่างเต็มที่ถ้ายังต้องทาบาปก็ต้องทาบาปกัน เรายัางต้อ ง, องมีเรายัางต้องมีการป้องกันตัวของเราอยู่ถ้าเรายัางคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วนี้เราจะไม่มาป้องกัน ร, ร่างกายเราจะป้องกันใจของเราภัยของใจก็คือการกระทำบาปการไปทำบาเพื่อป้องกัน ภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วพระโสดาบันพระอริยบุคคลทุกระดับท่านจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดการที่ท่านไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดนี้ก็เลยทำให้ท่านปิดประตูอาบายได้ท่านตายนี้แล้วท่านจะไม่มีวันไปเกิดในอาบายกันแล้วพระอริยบุคคล ถ้ายัางต้องกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาเช่นพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและภพชาติที่จะมาเกิดก็จะเกิดอยู่ในภพของมนุษย์หรือเทวดาแต่จะไม่ไปเกิดในภพของอบาย แล้วถ้าได้ขั้นที่สองคือขั้นปัสกิดาคามีก็จะลดการกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาลงเหลือเพียงหนึ่งภพหนึ่งชาติแล้วพอได้ขั้นที่สามนี้ขั้นฟ้านาคามีนี้ท่านจะตัดภพของมนุษย์และเทวดาออกไปได้ จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่จะกลับไปเกิดเป็นพรหมไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมจนกว่าจะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ก็จะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมเข้าสู่พระนิพพานไปอย่าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลของผู้ที่มีความเชื่อใน คำสั่งคำสอนในสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยถ้าเชื่อแล้วยังไม่ได้ปฏิบัตินี้ยังจะไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้จะปฏิบัติได้ก็แค่ระดับสวรรค์ชั้นต่างๆเชื่อแล้วก็ทำตามไม่ทำบาปทำบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดา ถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบก็จะไปเป็นพรหมได้แต่ผลของการเป็นเทวดาเป็นพรหมนี้ก็มีวันหมดได้มีวันเสื่อมได้ไปเป็นพรหมแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเทวดาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่แต่อย่างน้อยจะไม่ต้องไปเกิดนิบายถ้าทําบุญมากกว่าทําบาป แต่ถ้าช่วงไหนไปทำบาปมากกว่าทำบุญก็ยังไปเกิดในอบายใหม่ได้ น, นี่คือเรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิจะเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของพวกเราคือจะทำให้เราระ ง, งับการสร้างความทุกข์ ด้วยการไม่กระทําบาปด้วยการไม่เสพอ บ, บายามุกแล้วถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ให้ทําบุญทําทานแทนแทนที่จะไปหาความสุขจากการใช้เงินทองซื้อของต่างๆมาให้ความสุขเช่นไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆ อันนี้เป็นวิธีหาความสุขของคนที่มีเงินทองแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขประเดียวประดาได้มาปั๊บเดี๋ยวไม่นานก็หายไปแล้วก็ทำให้เกิดความหิวความอยากใหม่ต้องไปเที่ยวใหม่ต้องไปซื้อของใหม่มาคอยให้ความสุขอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเอาเงินทองเหล่านี้ไปทาบุญแทนจะได้ความสุขที่ อยู่ติดกับใจไปนอนกว่าแล้วจะไม่ทําให้หิวโหวยเวลาไม่ได้ทําบุญจะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่เหมือนกับเวลาที่ไม่ได้เที่ยวจะรู้สึกเดือดร้อนจะรู้สึกเหรอรู้สึกว่าเวรู้สึกหงุดหงิดลําคาญใจต้องไปเที่ยวถึงจะหายหายก็หายเดี๋ยวเดียวพอกลับมาบ้านพอไม่ได้ไปเที่ยวอีกสักพักก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอีก แต่ถ้าเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานนี้จะไม่เกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาจะทำให้มีความอิ่มใจสุขใจสบายใจอยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวแต่อย่างใดนี่คือวิธีหาความสุขที่ไม่เป็นโทษกับจิตใจ คือหาความสุขด้วยการทำบุญชนิดต่างๆถ้ามีเงินทองก็ใช้เงินทองทำได้บริจาคเงินให้กับวัดกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลกับคนยากไร้กับสัตว์ยากไร้หรือกับสัตว์ที่จะถูกฆ่าเช่นไปถ่ายชีวิตวัวควายปล่อยนกปล่อยปลาอะไรทำนองนี้เป็นการสร้างความสุขหรือซื้อความสุขให้กับใจ ที่จะไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าไปใช้เงินทองซื้อซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวเพราะมันมีความทุกข์ตามมาเวลาไม่ได้เที่ยวแล้วมันจะทุกข์เวลาไม่ได้ซื้อของที่เคยซื้อมันจะทุกข์เนี่ยซื้อเอาไปทำบุญดีกว่า ทำบุญแล้วมีความสุขมากกว่านานกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยเวลาไม่ได้ทาบุญก็จะไม่รู้สึกทุกข์หรือเดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือข้อที่สองที่พระเจ้าทรงสอนเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นวิธีสร้างความสุขในระดับต้นก่อนถ้ายังไม่สามารถสร้างระดับ ที่สูงกว่านี้ได้ก็เอาระดับต้นระดับต่ำก่อนด้วยการทำบุญชนิดต่างๆถ้าอยากได้ระดับสูงระดับที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องไปชําระจิตใจกําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆด้วยการไปเปิดตาในของเราเปิด ดวงตาให้เห็นธรรมขึ้นมาก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตะภาวนาเบื้องต้นก็คือสมถะภาวนาทําจิตใจให้สงบพอทำจิตใจให้สงบตาในก็จะเริ่มเปิดขึ้นมาเริ่มรู้จักตัวเองว่าโอ้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยพอเราเริ่มเห็นตัวเราเองว่าเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกาย ขั้นต่อไปแล้วก็ไปสู่ขั้นวิปัสสนาขั้นไปสอนใจว่าต่อไปนี้เราต้องไม่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราอย่าไปอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทาให้เราทุกข์มันจะทาให้เราจะต้องกลับมามีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะความอยาก ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองเราต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาอยากจะดูด้วยตาก็ไม่ดูอยากจะฟังด้วยหูก็ไม่ฟังถ้าอยากจะมีความสุขก็ระ ง, งับความคิดเหล่านี้ระ ง, งับความอยากเหล่านี้แล้วทําใจให้สงบแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะเป่าโผขึ้นมา เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายอันนี้พอเริ่มสอนใจไปเรื่อยๆใจก็จะเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เนะเพราะว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจัง กิแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามตอนนี้มันแข็งแรงจริงอยู่มันมีกําลังวังชาที่จะทําอะไรตามที่เราสั่งมันได้แต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นคนแก่ไปกลายเป็นคนเจ็บไปบางคนเจ็บก่อนแก่ก็มีเห็นพิษของการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ เอามันใช้ไปหาความสุขไม่ได้แล้วนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับร่างกายก็คือเราต้องอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเลิกใช้ร่างกายแล้วต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะไม่เดือดร้อน แล้วเวลามันตายไปเราก็จะก็ไม่กลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะเราเห็นมีดวงตาเห็นธรรมว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์มีร่างกายแล้วทุกข์ไม่มีร่างกายแล้วไม่ทุกข์เนี่ยเหมือนคนที่มีรถกับคนไม่มีรถเนี่ยคนมีรถก็ต้องทุกข์กับดูแลรถยนต์ของตนต้องคอยซ่อมต้องคอยเติมน้ำมันต้องคอยอะไรต่างๆคนที่ไม่มีรถสบาย อยากจะไปไหนก็ใช้รถของคนอื่นรถแท็กซี่รถเมล์รถตู้เห็นไหมจ่ายเงินให้เขาปั๊บเดียวจบสบายกว่าคนมีรถกับคนไม่มีรถเนี่ยใครทุกข์มากกว่ากันนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิการมีดวงตาเห็นธรรมการเห็นว่ามีอะไรแล้วเป็นทุกข์นั่นเองการไม่มีอะไรแล้วจะไม่ทุกข์เพราะมีแล้วเดี๋ยวต้องสูญเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ต่อไปเราจะต้องจากมันไปทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นอนัตตาก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไปวุ่นวายกับมันให้ทุกข์ไปเปล่าๆสู้อยาไปมีมันดีกว่าเพราะการไม่มีมันก็ไม่ได้ทาให้เรา ไม่มีความสุขเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรถ้าเรารู้จักทําใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆให้ได้เท่านั้นเองนี่คือการเปิดตาในการที่จะสอนให้ใจเรามีดวงตาเห็นธรรมทาให้เรายุติการยึดถือยึดมั่นกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ยุติการอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เมื่อเราไม่ต้องการสิ่งต่างๆมให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องกลับมาหามันอีกเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเพื่อมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการแก่การเกิดแก่จิบตายกันอีกต่อไปนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีสัมมาทิฏฐิกัน ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยาท้าวฤาวาหาปูราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตตสังกาปา จันโทปันาระโสยธามณิชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตวันตาราโยสุขิทีคายุโกภวะ าพิวาทานสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตาโรธรมมวัทานติอายุวันโนสุขังภาลาังำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ทำได้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วปิดประชุมแล้วปิดใหม่แล้วก็ขอยุติเพราะต้องทำภารกิจอย่างอื่นต่อถ้าอยากจะถามขอเทิร์นชามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา419ย t u b e 311วิทีออนไลน์22รับฟังข้างบนนี้42คนรวมทั้งหมด794ครับอเอ้ยไมค์ตอนนี้มันไม่ค่อยดังอลตัวนั้นดังกว่ามันไปเชื่อมไว้กับอะไรเลยใช่ไหมนั่นน่ะสิเราถึงไว้ทำไมวันนี้ต้องพูดดังไม่เกินต้องออกแรงนะ เมันไม่ค่อยดังไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ใช่ด้ในนยอยากสงสัยไหมทำไมพยายามดึงมันเข้ามาใกล้ๆมันก็ยังไม่ดังกลัวกลัวจะไม่ได้ยินก็เลยต้องพูดดังหน่อยเยเหนือหน่อยเหนือหน่อยแล้วยวันนีนน้มีคำถามก็เข้ามาได้เลยครับจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม คุณพ่อได้มาฟังธรรมแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้บอกลูกๆให้มาฟังธรรมด้วยกันแต่ลูกบางคนไม่สะดวกที่จะมาทำให้รู้สึกจิตใจวุ่นวายอยากให้ลูกได้มาฟังธรรมท่านควรวางใจกับเรื่องนี้อย่างไรดีครับก็ว่ามันเราไปควบคุมบังคับให้เขาทาตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไปหน้าที่ของเราก็เพียงแต่บอกสิ่งที่ดีให้กับเขา ให้เขารับรู้ไว้ถ้าเขาอยากได้เขาก็มาเอาถ้าเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่มาเอาเหมือนกับถ้าบอกเขาว่ามีมลอดกรอให้เขาอยู่นี่ถ้าเขาไม่มาเอาก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่เอาก็แล้วไปไม่เอาก็ให้คนอื่นไปฉะนันเราไปควบคุมไปบังคับเขาไม่ได้เราทําหน้าที่ของเราเราทําส่วนที่เราทําได้ คือบอกเขาว่าเรามีของดีๆจะให้จะเอาไหมถ้าอยากได้ก็มาเอาไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรใจเราก็จะไม่ทุกข์คถามจากผู้ฝากถามทางอินบ็อกซ์ครับขอคําแนะนำจากท่านพระอาจารย์พ่อแม่แยกทางกันพ่อมีภรรยาใหม่ครับผมเป็นลูกควรทำใจอย่างไรครับ เราก็ยังเป็นลูกเหมือนเดิมพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่เหมือนเดิมอยู่ก็ทําเหมือนเดิมไปส่วนพ่อหรือแม่ก็จะไปมีแฟนใหม่ก็เรื่องของเขาไปเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาเราก็ให้ความเมตตากับพ่อกับแฟนใหม่ของพ่อของแม่ไปก็เป็นเหมือนคนใหม่ที่เราต้องรู้จักกันไปเท่านั้นเอง ก็ทำพ่อเขาพอใจกับคนนี้เขามีความสุขกับคนนี้เวลาที่เราต้องพบปากกับเขาเราก็ทาเราก็ทำตัวเราให้มีความเมตตาคือให้เป็นมิตรกันนอไม่เป็รังเกียดเขาแต่เราไม่ต้องไปเคารพเขาว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่เราเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นเพียงแต่แฟนของพ่อหรือของแม่เท่านั้นเองก็เป็นเหมือนเพื่อนของพ่อของแม่ เราไม่ไปถือเพื่อนของพ่อของแม่ว่าเป็นมาเป็นพ่อเป็นแม่เราใช่ไหม เ, ออเราก็ถือเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนของพ่อของแม่เราก็ให้ความเมตตาให้ความเคารพตามฐานะไปออคําถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งการที่จิตหยิบยกของภายนอกมาพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดวันและคืนไม่หยุด มันถามและตอบเองอยู่อย่างนั้นถือเป็นการเดินปัญญาหรือว่าสติฟุงงซ้านครับก็มันต้องดูผลของการเดินปัญญามันต้องไปดูว่าปล่อยวางสิ่งที่เราพิจารณาได้หรือเปล่าเห็นว่าเป็นตายรักได้หรือเปล่าถ้าเห็นว่าเป็นตายลักเราก็ต้องปล่อยวางได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับเขา เขาจะเป็นอะไรอย่างไรจะถูกใจหรือไม่ไม่จะไม่ทําให้เราเดือดร้อนใจเพราะเราปล่อยวางเขาแล้วไม่สนใจเขาแล้วเขาจะดีจะชั่วจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาแล้วอันนั้นต้องดูผลของการเดินปัญญาเดินปัญญาเพื่อให้เราเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เราทุกข์กับเขาหรือเปล่า ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่ปล่อยเรายังไม่มีปัญญาถ้าเราไม่ทุกข์กับเขาแล้วเราก็รู้ว่าเรามีปัญญาแนละ้วเราปล่อยเขาได้แล้วคำถามจากคุณภัยต้องทำบุญอะไรชาติหน้าถึงได้เกิดเป็นผู้ชายครับก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ชายอต้องทำตัวให้ห้าวหาญให้ชอบผู้หญิง ใครชาผู้หญิงใคชาผู้ชายก็ต้องเปลี่ยนไปชาผู้หญิงออใช่คุณสมบัติผู้หญิงมีอะไรบ้างอ่ะอคุณคุณสมบัติผู้ชายมีอะไรมันก็ต้องอดทนเบึกบืนกล้ า, าหารอา่อาแล้วก็ชาผู้หญิงซึ่งบางคนก็กำลังเปลี่ยนไงเพียงแต่เปลี่ยนยังไม่สำเร็จเปลี่ยนได้ครึ่งทาง เปลนได้ที่ใจแต่ร่างกายมันยังไม่ไปตามร่างกายมันยังเป็นหญิงอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพบต่อไปชาติต่อไปมันก็จะได้ร่างกายของผู้ชายเองพอใจมันเป็นผู้ชายเต็มร้อยแล้วทีนี้ร่างกายมันก็จะตามมาเต็มร้อยเองถ้าใจใจยังห้าสบหิอยู่มันก็อย่างนี้มันก็ยังไม่ได้ร่างกายเต็มร้อยร่างกายก็แบบห้าสิบห้าิบจะหญิงก็ไม่ใช่จะผู้ชายก็ไม่เชิง ถามจากคุณนก เ, เวลาที่ฝึกเจริญภาวนาทำไมเราต้องฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยครับไม่ใช่ทำไมหรอกมันการปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่เราจะได้ประโยชน์2ระดับระดับแรกนี้ไม่ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ระดับแรกเรียกว่าการทำใจให้สงบเป็นการซื้อความสุขแทนที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุข กับสิ่งต่างๆเรามาซื้อความสุขด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้เป็นวิธีแรกของการนั่งสมาธิไม่ต้องแยกอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ให้หยุดความคิดให้มีใจเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคาบิกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นการสร้างความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทอง พอเราสร้างความสุขได้แล้วทีนี้เราก็อยากจะให้ความสุขของเรานี้สุขไปเรื่อยๆถึงแม้เวลาออกจากสมาธิมาก็อยากจะให้มันสุขต่อตอนนั้นเราต้องมาแยกแยกมาศึกษาสิ่งต่างๆให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆนั่นเองตอนนี้เราทุกข์กันเพราะเรามีความเห็นผิด เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราก็เลยทําให้เราเสียใจความจริงของต่างๆที่เรามีอยู่นี่เป็นเหมือนของที่เรายืมเขามาแต่เราไม่คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นของเราพอเจ้าของก็มาเอาคืนก็เลยทุกข์ใจกันเียเราต้องมาแยกมาศึกแยกธาตุแยกขันก็คือมาศึกษาความจริงของธาตุของขันต่างๆว่ามันไม่ได้เป็นของเราเลย เป็นของที่เรายืมมาทั้งนั้นสิ่งต่างๆที่เรามีอย่อย่างเดียวที่เป็นของเราก็คือใจนะ ใจนี่แหละเป็นของเราผู้รู้ผู้คิดเนี่ยนอกนั้นแล้วเป็นของยืมเข้ามาทั้งนั้นร่างกายนี้ก็ยืมเข้ามาร่างกายของแฟนเราของเพื่อนเราของพี่เราของพ่อของแม่ของน้องเราเป็นร่างกายที่เรายืมเข้ามาทั้งนั้นเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะต้องถูกเจ้าของเขาเอาคืนไปเอให้คิดอย่างนี้นเรียกว่าเป็นการเป็นการเจริญปัญญาหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแยกธาตุแยกขัน นี่คือขั้นที่สองถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาอยากให้ใจของเราสุขอยู่เรื่อยๆพอใจเราไปหลงไปคิดว่าเป็นอะไรเป็นของเราเราก็ต้องมาแยกทันทีว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วเก่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรเขาจะมาหรือจะไปจะดีจะชั่วเราไปทำอะไรเขาไม่ได้ พอเรารู้ว่าทำไม่ได้เราก็ปล่อยเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับฝนฟ้าอากาศเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าฝนฟ้าอากาศไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้ฝนฟ้าอากาศเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็เลยไม่ไปยุ่งกับฝนฟ้าอากาศแต่คนอื่นนี้เรายังคิดว่าเรายังสั่งเขาได้อยู่เลยไปยุ่งกับเขาไหย พ อ, อยุ่งกับเขาแล้วพอเขาไม่เป็นไปตามที่เราสั่งเราก็เลยวุ่นวายใจขึ้นมาทุกข์ขึ้นมายานันต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้เป็นของไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้คำถามจากคุณกิจ ถ้าเราซื้อหัวมาเลี้ยงเวลาที่เราขายไปเขาเอาไปฆ่าอย่างนี้เราจะเป็นบาปไหมครับก็ถามเ้าก่อนเลยทาสัญญาก่อนว่าถ้าเอาไปเออเอาไปเลี้ยงเอาไปทำอะไรก็ขายให้เขาแต่าก็ไม่ยอมทำสัญญาก็แสดงว่าเขาคงจะไม่เอาไปเลี้ยงก็เอาไปฆ่าถ้าเราไม่อยากจะให้เขาตายเราก็อยากขายเขาเลยก็เลี้ยงต่อไป านถามจากคุณสายสุนีถ้าปฏิบัติสมถกรรมฐาน20ปีวิปัสนากรรมฐานมา15ปีแล้วสามารถรักษาโรคอรมภพาได้ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าค้ปัจจุบันเริ่มมีโรคปวดหลังนั่งสมาธิแบบขัดสมาธิได้ครับออโรคอรมภาานี้มันไม่ได้รักษาด้วยการนั่งสมาธิหรือด้วยการเจริญวิปัสนา มันอาจจะมีส่วนทําให้โรคหายได้คือใจเครียดมันก็จะทําให้ร่างกายเครียดไปทําให้การฟื้นฟูของร่างกายนี้ยากก็ได้พอใจสงบใจไม่เครียดร่างกายก็ไม่เครียดตามการฟื้นฟูร่างกายก็อาจจะฟื้นฟูได้ง่ายกว่าแต่ไม่ได้เป็นการ รักษาร่างกายพระพุทธเจ้าก็ยังต้องตายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้านี่เก่งทางสมาธิวิปัสสนาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรักษาโรคภัยที่ให้มันหายทำให้ร่างกายไม่ตายได้ร่างกายมันไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกัน จะนั่งสมาธิได้หรือไม่จะวิปัสสนาได้หรือไ ม, ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายสิ่งที่จะเปลี่ยนคือจิตใจถ้าวิปัสสนาได้นั่งสมาธิได้จิตใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายคำถามจากคุณจิตกรโลภเป็นของหยาบโกรธเป็นของหยาบอันนี้พอเข้าใจได้ครับแต่ความหลงเป็นของละเอียด มีหลงอะไรบ้างครับขอพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมครับก็หลงทุกอย่างทุกอย่างที่เรามีเนี่ยหลงทั้งนั้นน่ะหลงคิดว่าเป็นของเราเนี่ยาความจริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ศึกษากันเราเองก็มาเวลามาเราเอาอะไรติดตัวมาหรือเปล่าลเวลาเราไปเร า, เราอะไรติดตัวไปหรือเปล่าที่ไปก็มีของเราอยู่สองอย่างบุญกับบาปนั่นแหะที่ไปกับเรา นอกนั้นไปกับเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เนี่ยนี่คือความหลงเนี่ยอันนี้ไม่มีใครรู้ไงเพราะทุกคนหลงคิดว่าเป็นของเรากันทั้งนั้ น, นจึงต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพุทธเจ้ามาที่บายให้ฟังว่าเรากำลังหลงนะ ถ้าเราไปคิดว่าเราอ น, นั่นเป็นของเราไอ้ น, นี่เป็นของเราร่างกายเป็นของเราเนี่ยแสดงว่าเราหลงแล้วเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นของเราเราเป็นเป็นของยืมมาเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเข้าไปเดี๋ยวเวลาเร า, เ อ, าออกจากร่างกายนี้ไปเราก็ไม่เอาอะไรติดตัวไปกับเราคาถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม คนที่เป็นพระโสดาบันท่านยังมีความอยากมีแฟนมีลูกภรรยาหรือสามีและยังมีกรรมคุณอยู่ใช่ไหมครับและจะทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าคนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันครับ เ, ออเราก็ต้องเป็นเองไปก่อนจะไปรู้คนอื่นก็ต้องรู้ตัวเราก่อนฮะถ้าตัวเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเราจะไปรู้ว่าคนอื่นเป็นได้อย่างไรนะเหมือนคนที่จบปริญญาตรี จะไปรู้ว่าคนอื่นจบปริญญาตรีหรือไม่ตัวเองก็ต้องจบปริญญาตรีก่อนนะถ้าตัวเองไม่จบปริญญาตรีเราจะไปสัมภาษณ์เขาได้ไหมจะไปทดไปสอบเขาได้ไหมว่าคุณรู้วิชานี้หรือเปล่าคุณรู้วิชานั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันคุณต้องเป็นโสดาบันก่อน คุณต้องมีดวงตาเห็นธรรมก่อนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวคุณออแล้วคุณก็ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทีนี้อยากจะรู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าก็ลองไปถามเขาดูให้ hey, ร่างกายนี้เป็นของมึงหรือเปล่าออถ้ามันวลาเป็นของกูก็แสดงว่ามันยังไม่ได้เป็นโสดาบันคําถามจากผู้ฝากถามครับ เอคนเลี้ยงวัวเพื่อค่าหาที่ให้วัว ก, กินหญ้าครับเห็นที่ดินของเราว่างมาขอเช่าเพื่อเลี้ยงวัวเราจะเป็นบาปไหมครับเราก็ส่งเสริมให้เขาเมีอาชีพเลี้ยงวัวค่าวัวแต่เราไม่อยากจะส่งเสริมเราก็อย่าไปให้เขาเช่าแต่เราไม่บา ป, ปนะเพียงแต่เราสนับสนุนช่วยให้มีการค่ากันต่อไปถ้าไม่อยากจะไม่ให้เขามีอาชีพนี้เราก็อย่าไปให้เขาเช่าที่ เมื่อเขาไม่มีที่เลี้ยงวัวเขาก็อาจจะเลิกเลี้ยงวัวก็ได้อแต่ไม่บาปนะให้เขาเช่าก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าจะช่วยส่งเสริมให้เขาได้ทําบาปให้เขาทําอาชีพที่จะทําให้มีการฆ่าวัวฆ่าควายอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพสัมมาอาชีพอาชีพที่ ไม่ถูกต้องคือเป็นอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนอย่าทําเช่นขายสุรานี้ก็เป็นอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะคนที่มาดื่มโซราเดี๋ยวก็เมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอรารวาสไปทําลายทรัพย์สินไปทําร้ายชีวิตของผู้อื่นขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนกันตายหรือเป็นอุบัติแล้วเจ็บไข้ได้ป่วย พ, พิการไปตลอดชีวิต ถ้าไม่มีการดืม่มซึ่งไม่มีการขายสุราก็จะไม่มีการดื่มสุราเมื่อไม่มีดื่มสุราก็จะไม่มีการมึนเมาไม่มีการอาลาวา่าไม่มีการไปทําให้เกิดเอภัยต่างๆใช่ไหมช่วงปีใหม่นี้เขารู้เลยว่าจะต้องมีคนตายกี่คนแล้วตายเพราะอะไรเขาก็รู้ตายเพราะเมาเมาแล้วขับเขาถึงมีสโลกแกนว่าเอเมาไม่ขับ แต่นี่เมาแล้วขับกันเนี่ยพราะมียังมีการส่งเสริมรัฐบาลเองนั่นแหละเป็นคนส่งเสริมถ้าตั้งกฎหมายว่าห้ามขายสุรามันก็จบใช่ไหม ขายสุราแล้วก็มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันแก้ปัญหาที่คนดื่มสุราถ้าไม่อยากให้คนดื่มสุราก็อย่าไปขายสุราแต่มันก็ทําไม่ได้ครับเพราะพอหา้ามมันก็ไปหลบซ่อนทํากันอีกเมืองนอกเมืองฝรั่งเขาก็เคยทํามาแล้วลเขาออกกฎหมายไม่ให้ผลิตสุราไม่ให้ขายสุรามันก็แอบไปทํากันเองไม่แอบผลิตกันเองแล้วก็แอบไปดื่มกันเอง ไปจัดปาร์ตี้ในบ้านในช่องเงียบๆไม่ให้ใครรู้แล้วก็ดื่มกันเพราะจะแก้ปัญหาจริงๆต้องไปแก้ที่จิตใจเนี่ยไปแก้ที่กามาตัะหากามความอยากเสพกามอยากจะเสพรถของสุราเสพรสออยากจะมึนเมาเพราะมึนเมาแล้วทําให้หน้าด้านเวลาอยากจะทําอะไรที่ไม่กล้าทําจะได้ทําไหน เวลาอยากจะดา่าใครนี่เวลาไม่เมาไม่กล้าดา่าเขาพอเมาแล้วนี่ปากออกมาเลยด่ากันง่าอย่างง่ายได้เลยอันนี้มันเรื่องของปัญหาของโลกที่แก้ไม่จบหรอกเราแก้โลกไม่ได้หรอกเราแก้ได้ก็คือตัวเราคนเดียว น, นั่นเองเพราะมันเป็นปัญหาที่แก้ายากคนที่จะแก้นี้ต้องยอมทนกับความทุกข์เวลาจะแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องอดสุลานี่มันไม่ใช่ของง่าย yeah. คนที่ติดสุราแล้วจะให้เลิกสซลานี่มันทุกข์มันทรมานใจแต่ถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาก็จะคิดว่ามันเป็นเหมือนการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บแบางทีก็ต้องผ่าตัดใช่ไหมปวดฟันก็ต้องถอนฟันเนี่ยถอนฟันก็ต้องยอมเจ็บบ้างเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่ถอนมันก็เจ็บไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นภัยจากการเสพสซลายาเมาเราก็ ยอมทนอดสุราไปสักพักหนึ่งพอผ่านเวทผ่านไปได้พออดได้แล้วต่อไปภัยจากสุราก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปคำถามจากคุณฟ้าสิริรู้สึกกลัวภัยในวัฏสงสารยิ่งฟังธรรมะเยอะยิ่งรู้สึกกลัวแต่เรายังต้องใช้ชีวิตประจำวันหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจิตก็ยังไม่ค่อยสงบเจ้าคะ่ะ แต่ก็ปฏิบัติทุกวันเห็นจิตวุ่นวายมันผุดขึ้นมาเองเรื่อยๆค่ะบางครั้งเวลานั่งสมาธิเปิดธรรมะฟังไปด้วยแบบนี้ดีไหมเจ้าคะหรือต้องอยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวก็ต้องมีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะการฟังธรรมนี้จะทำให้เราเกิดความกล้าหาญขึ้นมาต่อไปเราจะหายกลัวตอนนี้ลเวลาเริ่มต้นมันจะกลัว เพราะว่าใจเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนเนี่ยเวลาฉีดใหม่ๆ ม, มันจะมีไข้มีอะไรแต่พอเรามีภูมิคุ้มกันแล้วทีนี้เวลามีเชื้อโรคเข้ามามันก็จะไม่ทำให้เรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ยันั้นเราต้องฉีดวัคซีนบ่อยๆต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสลับกับการนั่งสมาธิเวลาฟังธรรมก็ไม่ต้องไปนั่งพุทโธไม่ต้องนั่งดูลมให้ฟังธรรมให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องฟังธรรมให้ดูลมหรือพุทโธไปเพื่อทาใจให้สงบถ้าเราทาใจให้สงบได้แล้ว ใจเราจะเริ่มไม่ทุกข์ไม่กลัวกับสิ่งต่างๆที่เรารู้ว่าเป็นภัยเพราะเรารู้วิธีที่จะรับภักดีต่างๆเหล่านี้ได้เรารู้ว่ามีที่ที่เราจะสามารถยืนแล้วไม่ทําให้เราทุกข์กับภัยต่างๆที่จะมากับมาทําลายจิตใจของเราได้ คือถ้าเรามีสมาธิมีความสงบแล้วมีปัญญามีความรู้มีสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนี้เองเราไปห้ามมันไม่ได้เราก็จะเฉยๆพอเฉยๆความทุกข์มันก็จะหายไปเพราะความทุกข์มันเกิดจากการไม่เฉยของใจเรานี่เอ ง, เ, องเกิดจากความอยากพออยากแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอยากอยู่มันก็จะกลัว ถ้าไม่มีความอยากอยู่มันก็จะไม่มีความกลัว <c oughs> คำถามจากคุณสิริวันขอถามพระอาจารย์เกี่ยวกับสินข้อสามการประพฤติผิดในการมคือไม่ผิดลูกผิดสา ม, มีภรรยาใครในเบื้องต้นถ้าละเอียดขึ้นไปกว่านี้ไม่ทราบว่าต้องระมาัดระวังเรื่องใดเจ้าคะ่ะก็ให้เป็นผัวเดียวเมียเดียวไงความ คือเรื่องนี้ก็มีแค่นี้แหละมีให้มีแฟนคนเดียวแต่จะมีหลายคนก็มีหลายช่วงไปช่วงนี้มีคนเดียวพอแฟนคนนี้ตายไปแล้วทิ้งเราไปก็ไปหาแฟนคนใหม่ได้แต่อย่ามีทีเดียวพร้อมๆกันเหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็ให้มีได้ต้องสี่คนแต่ศาสนานี้ให้มีได้ทีละคน การเดียวคนเดียวสามีเดียวภรรยาเดียวเท่านั้นเองคําถามจากคุณสายสุนีที่นาบ้านตั้งสารพระภูมิไว้แต่ดิฉันตั้งใจปฏิบัติกรรมาฐานและทํางานสุจริตแต่เพื่อนบ้านมาขอไหวเพื่อให้ถูกหวยรวยเร็วดิฉันบอกให้เขาตั้งใจค้าขายที่หลังคงจะถูกคนเดียวแล้วไม่ถูกหวยอีกก็มาด่าว่าดิฉันก็โกรธมากๆค่ะ จะทําอย่างไรไม่ให้โกรธตอบครับก็สารย้ายสารไปทิ้งไปจะนั้นไม่มีปัญหาสารแล้วไม่มีความจําเป็นเนีมีหรือไม่มีมันมันก็ไม่ได้มาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเลวลงจะไปตั้งไว้ทําไมไปตั้งไว้ให้มีปัญหาทําไมก็เอาไปทิ้งเลยก็ได้หรือยกให้เขาไปเลยเลยเขาอยากจะไหว้ก็ยกสารไปทั้งสารมึงก็ไปไหว้ มันก็ไปไหว้ที่บ้านมอะไรก็แล้วกันเขาจะได้ดีใจเขาจะได้ไม่มาโกรธมาเกลียดเราเราก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมาถ้ากิดเขาไหว้แล้วถูกเดี๋ยวเขาไปบอกคนอื่นเดี๋ยวคนมันมารุมอยู่ที่หน้าบ้านเรานะเดี๋ยวบ้านเราไม่มีทางเข้าทางออกนะคนมาเต็มไปหมด ทางที่ดีก็กำจัดมันไปเถิด ถ, ถ้าเรากำจัดได้ยกให้เขาไปได้ก็ยกให้เขาไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามมาอีกต่อไปเราความจริงแล้วมันไม่มีผลต่อชีวิตของเราหรอกถ้ามีงั้นทุกคนก็มีสายเงินเต็มบ้านไปหมดจนะได้รวยกันทุกบ้านใช่ไหมมันไม่รวยหรอกข้อสารมันก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วยังไม่เชื่อ ทางที่ดีถ้ามีปัญหาก็ถ้าเรายกให้เขาได้ก็ยกให้เขาไปถ้ายกไม่ได้ต้องเอาไปทิ้งก็เอาไปทิ้งไปเอาไปทุบทาลายให้มันกลายเป็นเศษอิดเศษปูนไปมันก็หมดปัญหาไปมันก็ทำมาจากอิดจากปูนทั้งนั้นมันเป็นอะไรหมดแล้วน ะ, ะเดี๋ยวขอเอาไมครโฟนไปหน่อยเดี๋ยนะ กลับเรียนผ้าจาย์ครับคือผมชอบที่ดินแห่งหนึ่งนะครับที่นครนายกจะไปกล่าวว่าจะไปปลูกบ้านกเกษียนนะครับเลยทราบมาว่าที่ดินตรงนั้นในอดีตเนี่ย เ, เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเคยเป็นที่ข่าหมู คือเขาเลี้ยงฝาหมู่ที่อื่นแล้วก็เอาหมูมาค่าตรงนี้เพราะมันไกลชุมชนนะครับอไม่ทราบว่าเราสามารถไปไอยู่ได้ด้วยวิธีการใดไดไม้มันไม่มีหรอกวิญญาณมันไม่ได้อยู่ที่ดินมันมันอยู่ในโลกทิพย์เห็นมันไม่เกี่ยวกับที่ดินหรอกที่ดินอดีตมันอาจจะมีอดีมีไม่ดีผ่านมาเราไม่รู้หรอกแต่มันไม่มีผลหรอกที่นี่ก็อาจจะเป็นอดีตอาจจะเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้ ที่นี่ก็มีสัตว์ฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาทำไมอยู่ได้เนี่ยที่นี่บนเขานี่ก็มีสัตว์ป่ากินกันใช่ไหมสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยมันก็เป็นการฆ่าอยู่ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนไม่มีการฆ่ากันทั้งนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับที่ดินหรอกมันไม่เกี่ยวกับความสุขความเจริญของพวกเราเหรอก สิ่งที่เกี่ยวกับความสุขความเจริญครับพวกเราก็คือกรรมนี่แหละที่สอนวันนี้ถ้าทําบาปต่อให้ที่ดินดีไงก็แจ้ง <c oughs> ถ้าทําบุญต่อให้ที่ดินมันเลวขนาดไหนก็จะเจริญอะ่างนี้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องที่ดินเรื่องอะไรให้กังวลกับเรื่องบุญเรื่องบาปเท่านั้นพอถ้าเราทําบุญไปแล้วเราจะไม่แจ้งมีแต่จะเจริญถ้าเราทําบาปแล้วเราจะมีแต่แจ้งอย่างเดียวไม่มีวันเจริญ การเปี่ยนพระาจารย์ค่ ะ, าาคะเวลาเราทําบุญค่ะนอกจากความปิติที่เราได้แล้วถ้าเราอยากไปพนิพ า, านลอธิษฐานว่าเราขอไปพนิพานนี้เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดเจ้าค่ะมันไม่ผิดแต่มันไม่ได้จะไปนิพานก็ต้องไปภาวนาไปหยุดกิเลสหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าทําบุญอย่างเดียวนี้ยังไปนิพานไม่ได้ทําบุญไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพเนี่ย ถ้าอยากจะไปนิพพานต้องไปภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาจะขออย่างไงก็ขอไม่ได้เพะของมู้ดนี้ขอไม่ได้ต้องทําเองอธิษฐานนี้เป็นการขอความจริงขอไม่ได้อธิษฐานนี้ถ้าเป็นความตั้งใจนี้ก็เป็นการกระทำที่ดีเพราะก่อนที่จะไปเราต้องตั้งใจก่อน เช่นวันนี้แลก่อนที่จะมาที่นี่ได้เราก็ต้องตั้งใจก่อนว่าจะมาที่นี่ถ้าวันนี้ไม่ตั้งใจมาที่นี่ก็ไม่ได้มาที่นี่เนี่ยยิถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องตั้งใจว่าฉันอยากจะไปนิพพานฉันจะไปนิพพานเมื่อจะไปนิพพานเราก็ต้องถามทางว่าทางไปนิพพานไปทางไหนเหมือนจะมาที่นี่ก็ต้องถามทางดูว่าจะมาที่นี่มาได้อย่างไรนยั้นขั้นต้นเราก็ต้องมีความอยากไปนิพพานก่อนความอยากไปนิพพานนี่เรียกว่าอธิษฐาน พอมีความอยากแล้วเราก็จะถามทางหาทางว่าทางที่จะไปนิพพานไปอย่างไรอยากจะไปนิพพานก็ต้องไปภาวนาไปเจริญสมถะ ภ, ภาวนาวิปัสนาภาวนาพอได้วิปัสนาได้สมถะ ภ, ภาวนาแล้วก็จะถึงนิพพานต่อไปถ้าอย่างนั้นเวลาทำบุญควรตั้งจิตอย่างไรที่ดีที่สุดได้บุญเยอะที่สุดจ้า ก็ได้แล้วนะตั้งไม่ตั้งก็ได้แล้วพอทำํำนะมันก็ได้แล้วเหมืนกินข้าวนะกินอิ่มแล้วจะไปตั้งอะไรอะมันก็อิ่มะทําบุญเพื่อให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจพอเราทําแล้วถ้าอยากจะตั้งใจว่าถ้าอยากจะสุขใจอิ่มใจแบบนี้พรุ่งนี้ก็ต้องทําอีกตั้งให้ตั้งใจแบบนี้พรุ่งนี้ทําบุญอีกเออ ให้ทำไปได้เรื่อยถ้าอยากจะให้มีความสุขใจอิ่มใจเพิ่มมากขึ้นก็ให้ทำเพิ่มมากขึ้นไปได้เรื่อยอต้องคิดแบบนี้ต้องคิดที่เหตุคิดถึงว่าเราต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้เราได้ความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาหมนแล้วใช่ไหมยังมีไหมไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้นะ